เทวดาเหล่าใดที่มีศรัทธาแม่เราก็มีศรัทธามันมั่นใจขนาดนั้นนะนะเรียกว่าสามารถมั่นใจได้ขนาดนั้นสามารถเปรียบกับเทวดาได้ว่าเทวดามีศรัทธาเราก็มีไม่ใช่แบบหมเพราะเทวดามีศรัทธาเราก็มีแล้วใจก็แป้วภายในรู้นะเรียกว่าอะไรแนละ้วลอกตัวเองแป้วแป๊วไปอย่างนั้นแหละก็ทําท่าเหมือนขึงขังอะนะจริงๆไม่หรอกอย่างนั้นนะแล้วก็เทวดาเหล่าใดมีอ่าศีลเราก็มีศีลเทวดาเหล่าใดมีสุตตะมีจารค่ะมี ปัญญาแม้เราก็มีคุณธรรมเช่นนั้นเรียกว่ามั่นใจโดยโดยธรรมชาติเลยนะว่าแล้วก็เป็นความรู้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเช่นกับเราพระอริยเจ้าทั้งหลายสามารถที่เปรียบได้ว่านางวิสาไม่ใช่นางวิสาขาเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธาไม่ใช่นางวิสาขานะในสวรรค์ชั้นให น, นางวิสาขาอยู่ชั้นไหนนมมานาระดีเนี่ยนะไม่ใช่นางวิสาขาเท่านั้นที่มีศรัทธาเราก็มี ไม่ใช่นางวิสาขาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นนิมมานารดีเท่านั้นที่มีมีศีลไม่เราก็มีไม่ไม่ใช่แต่นางเท่านั้นที่มีฮิริโอตปะสุตะจักะปัญญาแม้เราก็มีคุณธรรมเช่นนั้นถ้าเป็นผู้ชายเขาบอกโอ้ไม่ใช่อนาถะบินทิกาที่อยู่ดุสิตเท่านั้นนะที่มีศรัทธาเราก็มีศรัทธาไม่ใช่อนาถะเท่านั้นนะที่มีศีลเป็นต้นเนี่ยเราก็มีเราก็มีในกุศลธรรมเหล่านั้นมีความมั่นใจตัวเอง ไม่ใช่ว่านึกไปนึกมาโอ้ยขอให้อนาถะช่วยสงเคราะห์ลูกหลานหน่อยเถื่อนะถ้าอย่างนี้ก็โอ้ยอีกนานนะนะก็กลายเป็นผู้ขอนะก็กลายเป็นผู้ขอไม่ใช่ผู้มั่นใจนะกลายเป็นผู้ขอกลายเป็นกึ่งอดอยากนะกึ่งอดอยากแล้วโอ้เขาก็จะช่วยเราได้ยังไงเน้ะเนี่ยนะนะก็กลายเป็นคนที่มีแต่ความคิดว่าจะขอแต่ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาถ้าผู้ขอเนี่ยแปลว่าพร่องเนี่นะ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 อย่างเจริญเนี่ยอย่างเช่นอ่ะเจริญปฐมมชานเพื่อละนิวอนอันนี้บอกไว้ชัดเจนนะจ๊ะเจริญปฐมมชานเพื่อละนิวอนอนนะชื่อเจริญอยถ้าย้อนย่อกลับมาบอกเจริญเนคขมมะเพื่อละกามมชานถ้าเจริญความไม่พยาบาทเพื่อละความพยาบาทเจริญอโลกสัญญาเพื่อละถีนมิทะเจริญความไม่ฟุ้งซ่านเพื่อละอุทะจักกุกุจักเจริญการกําหนดธรรมเพื่อละวิจิกิจชาเจริญญานะเพื่อละ อวิชชาเจริญปราโมทเพื่อละอารติแล้วถามว่าเจริญวิปัสนาทั้งหลายเจริญวิปัสนาเนี่ยเพื่ออะไรถ้าวิปัสนาเนี่ยนะอวินี่มันก็เป็นอุปสรรคถ้าอีกเปลี่ยนหนึ่งก็เปลี่ยนว่าเป็นอนุอนุก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะวิปัสนากับอนุปัสนาเนอันเดียวกันไม่ได้ต่างกันอะไรโดยอัตตะต่างกันแค่พยัญชนะคําผู้ที่เรียกขานเท่านั้นเองทีนี้ถ้าถามว่าไอ้เจริญวิปัสนาหรือเจริญอนุปัสนาแท้จริงอะเพื่อละอะไร เพื่อละนิจจะสัญญาเนี่ยนะเพื่อละนิจจะสัญญาเพื่อละความสําคัญว่ายั่งยืนเนี่ยนะความคิดว่ายั่งยืนความเชื่อมั่นว่ายั่งยืนผันเจริญวิปัสสนาที่ถูกต้องตรงจริงเนี่ยนะถ้าปัญญาที่เรียกว่าผู้เจริญวิปัสสนาแท้จริงแล้วเนี่ยจะไม่คิดว่าอะไรนี่มันยั่งยืน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 แตกทาลายเสียหายเป็นที่สุดบ้านก็มีการแตกทาลายเสียหวว า, ายเป็นที่สุดแม้กระทั่งตึกอะไรนัะตึกสูงเฉียดโลกก็ยังแตกทําลายเป็นที่สุดได้ขยะเป็นล้านตันในขยะเป็นล้านตันเน่ยนะโอ้โหจากกลายเป็นจากเหล็กที่มีราคามากกลายเป็นขยะเป็นล้านตันมันก็ถามว่ามันมีความเสียหายแตกทาลายเป็นที่สุดนั่นคือธรรมดายาวว่าแต่ตึกเหล่านั้นเลยแม้แต่แผ่นดินยังจะแตกทาลายเป็น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 มันจะยั่งยืนเป็นต้นเนี่ยไม่มีเพราะโลกของการไขครควนโดยความไม่เที่ยงเนี่ยเพียงพอเข้าใจถึงความไม่ไม่แน่นอนเรียกว่าอันหนึ่งเรียก ว, ว่ารู้อายุใช้งานของแต่ละเรื่องดีคือที่สุดของแต่ละเรื่องก็แตกทําลายเป็นที่สุดเนี่ยนะก็คือเห็นว่ารูปรูปก็มีการแตกทําลายเป็นที่สุดเวทนาก็แตกทําลายเป็นที่สุดสัญญาสังขารและวิญญาณสิ่งเหล่านี้ก็มีความแตกทําลายเป็นที่สุดเนี่ยนะ แต่แต่นั่นในแง่ของเอตัวสังขารธรรมเนี่ยสังขารธรรมก็คืออะไรตัวปริญยยาธรรมอะ่ะปริญยยาธรรมสังขารคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสภาพของมันเองจะเมื่อไรที่ไหนอย่างไรมันก็คือธรรมชาติที่ไม่เที่ยงโดยโดยธรรมดาของมันเองอ่ะเรียกว่าเหมือนอะไรไอ้คนนี้มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วอย่างเงี้ยขี้เมาคนนี้โอ้ยมันขี้เมามานานแล้วรค่มันเป็นเรื่องปกติของของสิ่งนี้ไปแล้วฉันใด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 เขาอโอ้ยคนเรามันแน่นอนว่าเออสมองแน่มันแน่อะไรมันเท่ากับเต่าหูเท่านั้นเองนะเล่เล่แบบนั้นอ่นนะไม่ได้มีอะไรแล้วยังอื่นอีกล่ะในแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันจะมีอะไรแน่นอนมั้งไม่มีอะไรแน่นอนแล้วไปเชื่อมั่นกับอะไรมากมายแต่ก็คือไม่ใช่ว่าคิดว่าคือตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการเข้าไปพิจารณารอบรู้นะมันไม่ใช่เกิดจากว่าเพื่อมันไม่เที่ยงแล้วก็พูดตัดปัญหาไปไม่ใช่แบบอะไรนะคนไม่มีความรับผิดชอบ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 แต่เนี่ยสมมติว่าหลอดไฟเนี่ยไปเอาไม้ไปตีเล่นแล้วมันแตกแล้วบอกว่าไม่เที่ยงใช้คืนให้วัดก็แล้วกันนะถ้ากุติเนี่ยมันอยู่แล้วมันสุดโทมเสียหายแตกทําลายโดยธรรมชาติของมันเองถ้าอย่างงี้เดี๋ยวสงรับผิดชอบวัดรับผิดชอบเองแต่ถ้ามันไม่เที่ยงแต่ว่าแม้จุดไฟเล่นอย่างไงนะวอดหมดเลยอย่างเงี้ก็เออไม่เที่ยงแต่ใช้ใช้ส่งหน่อยก็แล้วกันสร้างให้มันเหมือนเดิมก็แล้วกันยังไงเพราะบางอย่างมันต้องรับผิดชอบ นั้นคําว่าไม่เที่ยงนี่ไม่ใช่ว่าพูดไว้เพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อตักประเด็นว่าเออเนี่ยตายแล้วเออก็มันไม่เที่ยงอะ่ะมันไม่ใช่ลักษณะทะเลน์แบบนั้นะนะะเป็นคนทะเลนกึ่งกึ่งทะลึ่งไปเลยแ ไ, ไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายคําว่ารอบรู้เข้าใจด้วยด้วยวิจารณญาณ ว, วิจารณะก็คือวิจารณะหรือตีรณะก็อันเดียวกันคือใครขครัวอย่างละเอียดทีทั่วนะบอกออมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆและหลายหลายอย่างเนี่ยนะไขครัวเลยว่า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 แต่ขณะเดียวกันนะถ้อยคำทั้งหลายเขาใช้ปกตินะก็ไม่ใช่เป็นคนช่วยใช้คำอะไรเว่อร์แบบเกินไปอีกก็ไม่ใช่มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเสร็จแล้วก็ของของชั้นอยู่ที่ไหนยังไงนะเออวัยนะั่นก็เกินไปอีกบางคนเนี่ยนะศึกษาธรรมะไม่ดีเนี่ยแทนที่จะใช้คำดีกลายเป็นว่ากลายเป็นคำที่เป็นโจกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ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 นั้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิเนี่ยนะเขาดีอยู่แล้วเขาจึงจะเจริญอ น, นิจจานุปัสสนาได้ถ้าโดยเรียบเรียงตามเนื้อหาอัตนั้นอนุปัสสนาทั้งหลายจะแสดงต่อจากสมาบัติเนี่ยนะจะแสดงต่อจากสมาบัติประกาศถึงว่ามีความมั่นคงประกาศว่ามีความมั่นคงแล้วก็สมาบัติทั้งหลายก็จะแสดงจากการละอุโลธรรมทั้งหลายอันนั้นประกาศว่าความเป็นผู้ที่มี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 ตามเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาของจิตของธรรมะหรือเห็นความไม่เที่ยงของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถ้าเห็นตามเห็นความไม่เที่ยงของรูปเรียกว่า อ, อนิจจาอะนะหรือเอ้หัวไปกายานุปัสนาสติปัฏฐานหรือกายาอนิจจาณุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะเวทน า, ออ น, านุปัสนาสติปัฏฐานก็คือตามเห็นความไม่เที่ยงของกายเนี่ยนะตามเห็นความไม่เที่ยงของเวทนา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 รูปไม่เที่ยงตามความเป็นจริงกับคิดแช่งรูปเหมือนกันไหมอย่างนะ้ก็คนเราปกติตายแน่นอนใช่ไหมก็เออเข้าใจว่าเออสัตย์ที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีกลับแช่งให้มันตายวันตายคืนอันนี้คนละอย่างอยู่แล้วใช่ไหมคนที่เจริญวิปัสนาไม่ใช่คนแช่งนะไม่ใช่เป็นคนที่ว่าพยาบาทดูเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็อย่างนั้น อันนั้นก็ไม่ใช่แต่เข้าใจว่าเออไอคําว่าไม่เที่ยงเนี่มันหมายอายุใช้งานของสิ่งเหล่านั้นนะะก็คือมองทุกอย่างโดยอายุไขของสิ่งนั้นอายุของกรรมชรูปเช่นอายุของกรรมชรูปควรจะเท่าไหร่ก็เข้าใจในหลักกรรมนชนะกากรรมอุปสามภกรรมอุป ป, ปีรกรรมและอุปคาตกรรมอายุของจิตชะรูปล่ะอายุของจิตชะรูปก็แล้วแต่พยาจิตตราชเขาจะว่าไงะนะพราะแล้วแต่ใจใช่ไหม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 ใครกำหนัดเนี่ยนะเมื่อใดแค่ไหนและอย่างไรนะั่นก็ต้องบอกใจเราเองว่าแค่ไหนเราจรึงจะเจริญพอแล้วก็ถ้าเจริญทุกขานุาปัสสนาจริงก็ละสุขสัญญาได้เนะเจริญเรียว่าเมื่อใดที่จะเห็นว่ารูปเนี่ยเป็นสุขไม่มีเนะเวทนาเป็นสุขสัญญาเป็นสุขสังขญญาร เ, เป็นสุขวิญ ญ, ญาณที่เป็นสุขที่แท้จริงไม่มีเพราะยะฐานิจังต่า ง, ง, งทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้น เป็นทุกข์เนี่ยนะเป็นทั้งวิปริณามะทุกข์สังขาระทุกข์ league, เป็นต้นเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ด้วยเพราะว่าสิ่งไม่เที่ยงบางอย่างนี่ฉันไม่ร้องให้โฮเลยนะเพราบา่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ด้วยบอกเอออะไรอะไรก็ไม่เที่ยงเลบอกรถเราไม่เที่ยงเลยนี่แหมทําใจยากเลยมันก็ต้องยอมรับว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์พิจารณาทุกอย่าง น, นะเพราะว่าจนละความสําคัญหมายว่า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 แล้วถามว่าโรคในโลกเนี่มันมีเท่าไหร่อุบัติเหตุในโลกนี่มันมีเท่าไหรความเสียหายอันตรายการเข็นการฆ่าการลักการขโมยการประพฤติผิดในการการดื่มเหล้าเมายาเป็นที่มาของอุบัติเหตุทุกชนิดมันโลกของรูปทั้งนั้นแหละเนี่ยนะเป็นโลกของรูปเป็นโลกของวัตถุทั้งนั้นเพรามีวัตถุนั่นแหละมันจึงมีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพราะมีมหาภูตรูปมีดินมีน้ํามีไฟมีลมจึงมีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จนเห็นว่ารูปไม่มีเครื่องหมายแห่งความเที่ยงเลย ไม่มีรูปใดเป็นนิมิตเครื่องหมายบอกว่ามันเที่ยงไม่มีรูปไหนเป็นนิมิตเครื่องหมายว่ามันจะเป็นสุขแม้แต่อันเดียวเพราะเห็นภาระตามมาจากรูปเหล่านั้นเหล่านั้นเหล่านั้นเห็นพิษภัยทุกโทษ ท, ที่ตามมาจากรูปเหล่านั้นแล้วก็ไม่สําคัญว่ารูปเหล่าไหนจะเป็นอัตตานนะะมันจะมีผู้ใดไปมีอํานาจอะไรจริงๆในรูปเหล่านั้นเนั้ น, นบอกว่าโอ้ไม่เชื่อง่วงๆเอว่าขอให้มีอํานาจไม่เปลือกตาเลยจะยกขึ้นไหมนาะ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 อัตตาเลยเพราะฉะนั้นจึงเบื่อหน่ายเนี่ยนะเมื่อเบื่อหน่ายย่อม <รา S 1> คลายกำหนัด<า>ก็เรียกวิราคานุปัสสนา้วิราคานุปสนัสสนาตรงนี้เนี่ยนะไม่ใช่ยังไม่ใช่ถึงกระดับอมักอะไรเนี่ยนะถ้าเป็นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดถ้าที่อื่นเนี่ยเป็นมักแต่ว่าวิราคาตรงนี้ก็คือละราคานั่นเองอนะละละอะไรละตันหาละฉันทราคาในสิ่งนั้น น, นะ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 อนะอภินิเวศก็คือการยึดถือยึดถือไว้ด้วยการประกอบแบบเรียกใเออนะถ้าเป็นเครื่องยนต์นกลไกก็แบบไขน็อตไว้สดีเยี่ยมหมดเลยนะี่ก็รื้อออกหมดนี้ถ้าเป็นถ้าเจริญตามนี้ได้อย่างสมบูรณ์อนุปัสนาสัมมาทิฏฐิที่บริบูรณ์อนุปัสนาก็คื อ, อมาาัคคามคคายานัศนาวิสุทธิปฏิปตายานทัศนาวิสุทธิถ้าวิสุทธิเหล่านี้บริบูรณ์อินทรียห้าเหล่าอื่นก็เจริญมาเป็น อย่างดีแล้วก็เป็นปัจจัยแก่โสดาปฏิมา ก, ก็ละกิเลสที่เกิดร่วมกับมิจฉาทิฐิดได้นะทีนี้ถ้าอันนี้ก็เป็นทัศนามักมักที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะเมื่อละกิเลสเหล่านี้ได้ก็เจริญอริยมรรดับสูงละอะไรเจริญสกทาคามีมรละกามราคะปฏิฆาอย่างยาบนะเจริญอน า, นาคามีมรกกละกามราคะปฏิฆาอย่างละเอียดละกิเลสที่เหลือด้วย อรหัตตมรักทั้งหลายเพราะฉะกุศลธรรมเหล่านี้อินทรีย์เนี่ยทำกิจร่วมกันแล้วก็การปฏิบัติกุศลธรรมเนี่ยต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและสม่ําเสมอไม่ก้าวร่วงการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะนำเป็นภาระนําเป็นธุระในการเจริญกุศลธรรมเหล่าเนี้เรียกว่านําความเพียรอันสมควรแก่ธรรมนั้นนั้นเรียกว่าใส่ใจ <c oughs> ดูแลเป็นภาระทำธุระได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็จเจริญเป็นอย่างมากเลยน ะ, จะเจริญเป็นอย่างมาก อันนี้ก็เรียกว่าภาวนาหรืออ like uh ีกในหนึ look, ่งเรียกว่าภาวนาเก้าวันใครที่รอบรู้ในเรื่องรูปก็เรียกว่าภาวนาเหมือนกันรูปังปัสสันโตเนี่ยนะเห็นรูปเห็นนี่เป็นชื่อของอนุปัสนาปัสสันโตเนี่ยก็คือปัสสนานั่นแหละอันเดียวกันก็คือปัญญาที่เห็นรูปนี่แหละปัญญาอันนั้นชื่อว่าภาวนาปัญญาที่เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันะตาตากับรูปหูเสียงเป็นต้นเนี่ยก็คือวิจัยวิปัสนาภูมิทั้งหมด การพิจารณารอบรู้ในวิปัสสนาภูมิตัวปัญญาตัวนั้นก็เรียกว่าภาวนาเนี่ยนะเรียกว่าภาวนาเ อ, อชื่อว่ายานพระรู้ธรรมนั้นนะนะชื่อว่าปัญญาพราะรู้ชัดเพราะฉะนั้นธรรมปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วว่าธรรมะเหล่านี้ควรเจริญธรรมะเหล่านี้ที่ควรเจริญทั่วในครั้งคืออะไรควรเจริญอันนั้นก็คืออย่างทั่วในครั้งธรรมหนึ่งควรเจริญคือกายคตาสติสอรกระด้วยความสําราญ ทำสองที Radio, ath ath ่ควรเจริญค <may 0> <may 0> <may 0> ือสมถาวิป <CRI misleading> ัสสนาทำสามที่ควรเจริญคือสมาธิสามทำสี่ที่ควรเจริญคือสติปัฏฐานสี่ทำห้าที่ควรเจริญคือสมาธิมีองค์ห้าทำหกควรเจริญคืออนุสติหกทำเจ็ดที่ควรเจริญคือโพชฌงเจ็ดทำแปดที่ควรเจริญคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดทำเก้าที่ควรเจริญคือ นะปาริสุทที่ประธานนยังคะ9เก้าทำสิบที่ควรเจริญก็คือกสินสิบแล้วก็กลุ่มภาวนาทั้งหลายภาวนาหมวด4เนี่ยนะภาวนาอะไรบ้างก็คือภาวนาที่เป็นโลกิยะโลกุตระภาวนาที่เป็นรูปาวจรอรูปาวจรและโลกุตระภาวนาในการทำกิจอริยสัจทำกิจกําหนดรู้ทุกทำกิจละสมุทัยทำกิจทํานิโรธให้แจ้งทำกิจเจริญอริยมรรคก็ชื่อว่าภาวนา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 เจริญจนถึงเข้าถึงอรหัตตมัตตแล้วก็ยังลงสู่อมตะนิพานเป็นที่สุดเนี่ยนะปัญญาที่ฟังเรียนรู้เข้าใจทรงจําไว้ได้สามารถเป็นบาดฐานแห่งการปฏิบัติต่อไปปัญญานี้ชื่อว่าสุตามายญาญว่าปัญญาที่ทรงจํำทำ ท, ที่ฟังมาแล้วว่าธรรมเหล่านี้ควรเจริญชื่อว่าสุตตมายญาญนเนี่ยนะมันก็ปฏิสัมพิทาสุตามายญาญก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้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 เวลาเท็ดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงแปดนาฬิกาและยี่สิบเอ็ดนาฬิกาถึงยี่สิบสามนาฬิกาสนใจซีดีหรือเอ3สติดต่อดีที่โรงพยาบาลนวนครนถนนพ้หนโยธินโทรศัพท์0ูนย์สองห้าสองเก้าสี่ห้าสามสามถึงสี่หนึ่งโรงพยาบาลนวนคออยุธยาถนนเอเชียโทรศูนย์สามห้า 315 100-30 และมู ล, ลนละนิรักธรรมโทรศัพท์02 711 5997-8 ็นึงหนึ่งหาเกาเก้าขออนุโมทนาค่ะ สุภาสิตาชยาวาจาเยตัมมังกรมุตตม